ท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่แปดพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเป็นวันที่ท่านทั้งหลายนั่งได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา ประพฤติมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทำความดีให้ละบาปให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยความวิริยะอุตสาหะภาคเพียงคือให้มีความภาคเพียงในการทำความดี ที่เรายังไม่ได้ทําหรือทําน้อยก็ทําให้มากขึ้น 2. ให้รักษาความดีที่เราได้ทําอยู่แล้วนี้ไม่ให้หดหายไป 3. ให้ละการกระทําบาป ก, การกระทําที่ไม่ดีที่เรากําลังทําอยู่และสให้ป้องกัน ไม่ให้การกระทาบาปหรือการกระทาที่ไม่ดีที่เราได้ละแล้วเลิกแล้วนั้นหวนกลับคืนมาอีกถ้าเราสามารถปฏิบัติทั้งสข้อนี้ได้เราจะมีแต่ความก้าวหน้ามีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขถ้าเราปฏิบัติไม่ได้เราก็จะมีแต่ความทุกข์ความเสื่อม ดังนั้นขอให้เราพยายามปฏิบัติกันภาคเพียรวิรยิยะอุตสาหะความขยานอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นพวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์จากความยากลําบากด้วยความภาคเพียรด้วยการเป็นที่พึ่งของตนอัตตาหิอัตโนนาทโถ อย่าไปให้ผู้อื่นเป็นที่พึ่งของเราอย่าไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นจากคนนี้เพราะขอเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันจบขอแล้วเหลือหมดก็ต้องขอใหม่เพราะเราไม่มีความสามารถที่จะหาได้ด้วยตัวของเราเองแต่ถ้าเรามีความมุสาพ ย, พยายาม ที่จะทำตนเองให้เป็นที่พึ่งของตนเองอยากได้อะไรก็ให้หามาด้วยลำแข้งลำขาด้วยสติปัญญาของตนเองถ้ายัางหาไม่ได้ก็อดทนอดกรั้นไปก่อนจนกว่าจะหาได้ถ้าเราหาได้ด้วยตนเองแล้วเราไม่ต้องไปขอใครอีกต่อไปแต่ถ้าเรายังต้องขอ คนนั้นขอคนนี้อยู่เราก็จะต้องขอไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะการขอนี้ไม่ได้เป็นการพึ่งตนเองการพึ่งตนเองนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความภาคพียนในการกระทำความดีทั้งหลายและในการละการกระทำความไม่ดีทั้งหลายดังนั้นข้อที่หนึ่ง คือให้เราทำความดีที่เรายังไม่ได้ทำหรือทำความดีที่เราทำน้อยให้มีมากขึ้นมีอะไรบ้างก็มีหลายอย่างด้วยกันถ้าเป็นเด็กก็คือการศึกษาก็เป็นความดีถ้าเรายังไม่มีความรู้เราก็จะไม่ฉลาดถ้าเราไม่ฉลาดเราก็จะไม่ดี เราต้องศึกษาวิชาความรู้แต่ต้องศึกษาทั้งวิชาความรู้ทางโลกและวิชาความรู้ทางธรรมเพราะถ้ามีแต่วิชาความรู้ทางโลกอย่างเดียวไม่มีวิชาทางธรรมก็จะสามารถเอาวิชาความรู้ทางโลกนี้มาทำร้ายผู้อื่นได้มาเบียดเบียนผู้อื่นได้ เพราะขาดวิชาทางธรรมคือศีลธรรมเราต้องศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมถึงจะถือว่าเป็นผู้ที่ฉลาดจริงอย่าเป็นพวกที่ฉลาดแต่ไม่เฉลียวฉลาดไม่เฉลียวก็คือเก่งในด้านการที่จะกรอบโกยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหรืออะไรต่างๆมา แต่ไม่ฉเฉลียวว่าการกอบโกยของตอนนี้ถูกต้องทำนองคลองธรรมหรือไม่ถูกกฎหมายหรือไม่ถ้ากอบโกยด้วยความไม่ถูกต้องทางศีลธรรมหรือผิดกฎหมายอย่างนี้เขาเรียกว่าฉลาดแต่ไม่ฉเฉลียวคือไม่ฉเฉลียวใจคิดว่าสิ่งที่กำกำลังทำอยู่นี้เป็นคุณหรือเป็นโทษกันแน่ ถึงแม้จะได้เงินมามากก็ตามแต่อาจจะไม่เป็นประโยชน์กับใจของเราเงินนี้มีประโยชน์เฉพาะร่างกายและกิเลสตัณหาเท่านั้นคือเงินนี้เราเอามาใช้ซื้อปัจจัยสี่ก็เป็นประโยชน์กับร่างกายเช่นซื้ออาหารมารับประทานซื้อเสื้อผ้ามาใส่ซื้อบ้านอยู่หรือจ่ายค่าเช่าบ้าน แล้วก็ซื้ อ, อยารักษาโรคเงินทองเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์กับร่างกายแต่ถ้าเราเอาไปซื้อตามความอยากของกิเลสตัณหาเช่นอยากจะดื่มสุราก็ไปซื้อเอาเงินไปซื้อสุรามาดื่มอยากจะสูบบุหรี่ก็เอาเงินไปซื้อบุหรี่มาสูบอยากจะไปเที่ยวก็ไปเอาเงินไปเที่ยว อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็ใช้เงินลำนี้เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับกิเลสตัณหาซึ่งเป็นเหมือนเชื้อโรคของใจเพราะกิเลสตัณหานี่แหละเป็นผู้สร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่ใช่สิ่งอื่ในใดทั้งนั้นอยู่ที่กิเลสตัณหานี้เท่านั้นที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจ ความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายการพัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจแต่ความอยากต่างหากที่จะสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายอยากไม่พัดพรากจากของรักของชอบ พอมันเกิดขึ้นใจของเราก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาเพราะเราคอย ส, งส่งเสริมความอยากของเราเวลาเรามีเงินเราอยากจะได้อะไรเราก็ทําตามความอยากทันทีโดยไม่เคยคิดว่าเรากําลังสะสมความทุกข์หรือสะสมเหตุที่จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในลําดับต่อไป เพราะเมื่อเราส่งเสริมความอยากความอยากก็จะมีกําลังมากขึ้นพอถึงเวลาที่จะหยุดความอยากนี้จะไม่มีกําลังที่จะหยุดเขาได้เพราะเขามีกําลังมากนี่คือโทษที่เกิดจากการใช้เงินใช้ทองเพื่อส่งเสริมกิเลสตัณหาความอยากต่างๆ ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับใจของเราแต่จะสร้างความทุกข์สร้างความเศร้าหมองสร้างความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจให้เกิดขึ้นกับใจของเราเสมอนี่คือการใช้เงินใช้ทองที่ไม่เกิดประโยชน์แต่กลับเกิดโทษการใช้เงินที่เกิดประโยชน์ก็คือซื้อปัจจัยสี่มาให้ร่างกาย แต่ต้องซื้อพอประมาณอย่าฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นไม่จำเป็นอย่าต้องเป็นของดีราคาแพงแพงของแพงไม่ได้หมายความว่าจะดีเสมอไปของถูกก็ดีได้ยคําว่าดีนี้คืออะไรก็คือเกิดประโยชน์กับร่างกายของเราซื้อเสื้อผ้าชุดละสองสากับซื้อเสื้อผ้าชุดละสองสามพัน มันก็เกิดประโยชน์เท่ากัน<ม>ก็คือเอามาปกปิดร่างกายมาปกป้องร่างกายจากอากาศที่หนาวเย็นหรือจากมแมลงหรือปกปิด อ, ว, อวัยวะต่างๆเสื้อผ้าชุดละสองสอก็ทาหน้าที่นี้ได้เท่ากับเสื้อผ้าชุดละสองสามพดังนั้นเราจะต้องรู้จักประมาณ คือรู้จักการใช้ของเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่าไปใช้ของเพื่อให้ตามใจกิเลสตัณหาถ้าเป็นกิเลสตัณหาซื้อชุดละสองสามพันก็ไม่พอถ้ามีเงินซื้อชุดละสองสามหมืก็จะซื้อชุดละสองสามหมืนมาใช้ถ้ามีเงินซื้อชุดละสองสามแสนก็จะซื้อมาใ ช, าม ช, 3, มาใช้มันไม่เกิดประโยชน์อะไร มีแต่เสียเงินเสียตองไปเปล่าประโยชน์และเกิดโทษกับจิตใจเพราะทำให้ใจนิเสียนิสัยถ้าเคยใช้เสื้อผ้าชุดละสองสามแสนแล้วถ้าต้องไปใช้เสื้อผ้าชุดละสองสามร้อยนี้จะใช้ไม่ได้ไม่กล้าใส่ไม่กล้าออกจากบ้านอายชาวบ้านเพราะเคยอวดรวยอวดเสื้อผ้าสวยๆงามๆราคาแพงๆพอจะต้อง ใส่เสื้อผ้าถูกๆก็จะใส่ไม่ได้หรือซื้อของต่างๆก็เช่นเดียวกันเช่นรถยนต์ซื้อรถคันละสี่ห้าแสนก็ได้หรือจะซื้อคันละสี่ห้าล้านหรือสี่สบห้าสิบล้านก็ได้มันก็เป็นรถยนต์เหมือนกันมันก็พาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกัน ทำไมเราจะต้องเสียเงินถึงสี่ห้าล้านหรือสี่สิบล้านห้าสิบล้านเพื่อซื้อรถคันหนึ่งที่เราซื้อราคาสี่ห้าแสนก็พาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้คนจลาดจะใช้เหตุผลจะซื้อเท่าที่จำเป็นน้องเงินที่เหลือนี้จะได้เอาไปสร้างประโยชน์ให้กับใจจริงๆก็คือไปทำบุญให้ทานนี้เองการทำบุญให้ทานนี้ จะทำให้ใจมีความสุขจะทำให้ใจประเสริฐทำให้ใจสูงเป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่นคนที่ให้นี้เป็นผู้ที่มีคนเคารพนับถือแต่คนที่ไม่ให้นี้ไม่มีใครเขาเคารพนับถือและไม่ให้แล้วก็ไม่เกิดความอิ่มใจไม่เกิดความสุขใจ เช่นเอาเงินที่จะทำบุญนี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยหรือเอาไปเที่ยวพอใช้หมดแล้วใจก็ไม่มีความอิ่มแต่กลับมีความหิวอยากจะใช้เงินเพิ่มขึ้นอีกในทางตรงกันข้ามถ้าเอาเงินนี้มาทำบุญใจจะเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาจะไม่อยากไปเที่ยวจะไม่อยากไปซื้อของฟุ่มเฟือย อยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขอยู่บ้านทำงานทำการทำประโยชน์ดีกว่าเก็บเก็บบ้านถู บ, บ้านกว่าบ้านซักผ้าจัดเก็บบ้านให้เรียบร้อยหรือตกแต่งบ้านให้หน่าอยู่น่าสวยงามดีกว่าออกไปเที่ยวเพราะออกไปเที่ยวแล้วจะติดเป็นนิสัยทำอะไรด้วยความอยากแล้วความอยากมันจะไม่หายไป แต่มันกลับจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเหมือนปลูกต้นไม้ถ้าอยากจะตัดต้นไม้ต้องเอามีดมาตัดไม่ใช่เอาน้าไปรดที่โคนต้นไม้เอาน้ำไปรดโคนต้นไม้ต้นไม้ก็จะมีแต่เจเรีงรูปเรืองไม่ไม่ไม่ตายถ้าอยากจะทำลายต้นไม้ต้องตัดทิ้งไปตัณหาความอยากก็เช่นเดียวกัน ถ้าอยากจะทำลายตานหาจะต้องฝืนจะต้องตัดคือไม่ทำตามต้องใช้เหตุผลเวลาอยากจะได้อะไรนี้ถามตนเองก่อนว่ามีความจำเป็นไหมเป็นคุณหรือเป็นโทษความอยากนี้มีสองแบบด้วยกันความอยากที่เป็นคุณก็มีความอยากที่เป็นโทษก็มีความอยากที่เป็นโทษ ก, ก, ก, ก, ก็อย่างที่ได้พูดถึง คือการใช้เงินอยากในสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายและจิตใจแต่ความอยากที่มีคุณก็คือความอยากที่ทำให้ใจของเราเจริญใจของเรามีความสุขเช่นอยากจะทำบุญอย่างนี้เรียกว่าเป็นความอยากที่ดีไม่เป็นโทษมีแต่มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์อยากจะรักษาสิ อยากจะฟังเทศฟังธรรมอยากจะปฏิบัติธรรมเหล่านี้เป็นความอยากที่มีคุณมีประโยชน์ความอยากนี้ที่มีคุณมีประโยชน์นี้เราเรียกว่าบุญกุศลหรือมัตตเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้ประสบกับความสุขและความเจริญส่วนความอยากที่เป็นโทษเราเรียกว่าตัณหา ตันหาก็คือความอยากในกางอยากมีอยากเป็นเช่นอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะมีตำแหน่งสูงๆอยากจะมีคนยกย่องเสรรเสริญอยากจะมีหน้ามีตาอย่างนี้เรียกว่าเป็นตันหาวิภาวะภาวตัหาความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคือวิภาวะตันหา ก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพรากจากของรักของชอบทั้งหลายอยากไม่จนเป็นต้นไม่มีใครอยากจนกันถึงทำให้ทุกคนมีความทุกข์กันถ้าอยากจนแล้วจะไม่มีความทุกข์จะมีความสุขเช่นพระพุทธเจ้าเคยเป็นเศรษฐีแต่ท่านไม่ชอบเป็นเศรษฐีท่านอยากจะเป็นคนยากจน ท่านก็เลยออกบวชเป็นขอทานแล้วท่านก็กลายเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกคนแรกของโลกก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละที่เป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกเพราะท่านอยากจนท่านไม่อยากรวยนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะทำตามพระพุทธเจ้าขอให้พวกเรามาอยากจนกันจะดีกว่าอยากจนแล้วจะไม่ผิดหวัง เพราะมันจนนี่มันง่ายกว่ารวยรวยนี่มันยากกว่าจนพวกเราอยากรวยกันเราจึงทุกข์กันถ้าเราอยากจนแล้วเราจะสบายเพราะเราจะอยู่อย่างไม่ต้องดิ้นรนตอนนี้เราจนแล้วเราก็อยู่เฉยๆมีกินมีใช้ก็พอเพียงแล้วจะไปดิ้นรนไปสร้างความทุกข์ให้กับเราทําไมพราพออยากรวยแล้วมันไม่มีขอบเขตรวยเท่าไหร่มันก็ไม่พอ มีร้านหนึ่งก็ไม่พอมีสิบล้านก็ไม่พอมีร้อยล้านก็ไม่พอมันจะอยากไปเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้เรามีความอยากไม่จนมากขึ้นไปแล้วอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายเพราะอยากจะอยู่กับทรัพย์สมบัติเงินทองไปนานๆหรืออยากจะอยู่เพื่อ หาเงินหาทองเพิ่มขึ้นไปเีกยเรื่อยจึงจะเกิดความกลัวกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายแต่คนที่อยากจนนี้จะไม่กลัวความแก่จะไม่กลัวความเจ็บจะไม่กลัวความตายเพราะไม่มีอะไรจะต้องเสียดายความจนนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะน่าเสียดายพร้อมที่จะจากมันเสมอพร้อมที่จะตายเพราะตายแล้วสบาย อยู่แบบยากจนอยู่ไปทาไมเมื่อถึงเวลาจะตายก็ให้มันตายไปแต่ใจนี้ไม่ทุกข์กับความตายไม่ทุกข์กับความยากจนไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะไม่มีวิภวตัณหาคือความอยากคือความไม่อยากจนไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนีย่นี่เรียกว่าวิภวตัณหาเป็นอันตรายต่อจิตใจ ปัญหาหรือความอยากที่เป็นอันตรายต่อจิตใจก็มีสมส่วนกามะตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาดังที่ได้แสดงไว้แล้วกามะตัญหาก็คือความอยากในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่อนอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากไปเที่ยวอยากจะเดิมสุราอยากจะเสพสูบบุรีอยากจะ เครื่องดืมรสชาติต่างๆอยากจะกินขนมชนิดต่างๆอยากจะหลับนอนกับคนนั้นกับคนนี้เหล่านี้เรียกว่าเป็นกา ม, มาตังหาความอยากในการเป็นอันตรายต่อใจเพราะจะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจพวกเรามีความอยากนี้อยู่ในใจของพวกเราทุกคนพวกเรายองต้องหา สาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเลงความอยากตั้งแต่เราออกจากท้องแม่มาจนถึงปัจจุบันเราก็ยังไม่เคยเจอความพอความอยากนี้ก็ยังไม่หายไปก็ยังอยากจะเที่ยวยังอยากจะดูหนังฟังเพลงยังอยากจะดื่มเหล้าสูบบุหรี่อยากจะเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆน่นมันจะฉุดลากให้เราต้องไป ดิ่นรนต่อการแสวงหาเพราะเมื่อเกิดความอยากแล้วก็ต้องไปหาเงินหาทองเพราะจะสิ่งต่างๆที่เราอยากนี้ต้องใช้เงินใช้ทองนั่นเองแล้วถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะหาเงินมาพอใช้กับความอยากเราก็ต้องหาวิธีเพิ่มเงินหารายได้เพิ่ม ก็อาจจะต้องไปหาไรายได้เพิ่มด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องที่จะเป็นโทษตามมาต่อไปเช่นไปทำผิดกฎหมายหรือผิดศีลผิดธรรมแล้วก็จะต้องคอยหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วในที่สุดก็จะต้องถูกจับเข้าไปอยู่ในคุกในตารางเพราะอำนาจของความอยาก ที่เราไม่สามารถที่จะต่อสู้กับมันได้นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราทำความดีด้วยการต่อสู้กับความอยากต่างๆความอยากอันใดที่เรายังมีอยู่ที่ไม่จําเป็นขอให้เรามาตัดกันเถิดเช่นเราอยากจะสูบบุหรี่หรืออยากจะดื่มสุราขอให้เรามาตัดมันไปอย่าไปดื่มสุรา อย่าไปสูบบุหรี่แล้วเราจะมีเงินเหลือใช้มากขึ้นแล้วเราจะมีชีวิตที่สบายขึ้นเพราะสุขภาพของเราจะดีขึ้นสูบบุหรี่แล้วอายุจะสั้นลงสูบไปมวนหนึ่งอายุก็จะสั้นไปวันหนึง่งเพราะโลกมันจะสะสมในร่างกายมากขึ้นไปไเรื่อยเช่นเดียวกับการดื่มสุราดื่มสุราไปถ้วยหนึ่งก็จะทำให้ชีวิตสั้นลงไปวันหนึง่ง เดินไปเรื่อยๆ อ, อายุก็จะสั้นลงไปโรคภัยไข้เจ็บ ก, ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเงินทองก็จะน้อยหดน้อยลงไปหดหดลงไปความยากจนก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าหยุดเดินสุราได้หยิบสูบบุหรี่ได้สุขภาพก็จะดีขึ้นอายุก็จะยืนยาวนานขึ้นเงินทองก็จะมีมากขึ้น เนี่ยเราใช้เหตุใช้ผลแล้วเราก็จะสามารถตัดความอยากในเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายได้ที่ยกตัวอย่าง ก, ก็คือเรื่องสูบบุหรี่และดื่มสุราแต่ยังมีเรื่องอื่นอีกซื่อของฟุง่มเฟือยก็เช่นเดียวกันไปเที่ยวแบบไม่มีเหตุมีผลก็เช่นเดียวกันหรือไปเล่นการํา น, นัน นี่คือการกระทาที่ไม่เกิดประโยชน์แต่จะเป็นโทษกับจิตใจจะฉุดล่างให้จิตใจตกต่ำจะทำให้มีความทุกข์มากขึ้นเราจึงต้องพยายามต่อสู้กับความอยากเหล่า น, นี้ถ้าเราชนะแล้วเราก็อยากกลับไปทำมันอีกถ้าเราเลิกบุหรี่แล้วก็อยากกลับไปสูบอีกถ้าเราเลิกเดิมสุราได้แล้ว ก็อย่ากลับไปดื่มอีกถ้าเราเลิกซื้อของฟุ่มเฟือยได้แล้วก็อย่ากลับไปซื้ออีกถ้าเลิกเล่นการพนันได้แล้วก็อย่ากลับไปเล่นอีกถ้าเลิกเที่ยวได้แล้วก็อย่ากลับไปเที่ยวอีกรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยจากชีวิตที่มีแต่ความลำเค็มมีแต่ความยากจนเงินทองไม่พอใช้สุขภาพไม่ค่อยดี เราจะกลับเป็นคนที่มีเงินทองเหลือใช้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขมันเกิดจากการกระทําของเราทั้งนั้นเพราะพุทธเจ้าจึงต้องทรงสอนให้เราดูการกระทําของเราดูการกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังทําความดีพูดดีคิดดี หรือว่ากาลังคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าเรารู้ก็ขอให้เรารีบหยุดถ้าคิดไม่ดีก็ให้หยุดคิดเช่นคิดจะไปดื่มสุราถ้าเรามีสติรู้ว่าเรากาลังคิดอย่างนี้ก็ต้องรีบหยุดคิดทันทีถ้าไม่ใช่นนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะต้องไปดื่มสุราอย่างแน่นอนถ้าเรา ถ้าเราเผลอไม่ทันความคิดแล้วมันไปไปไปเอาสุรามาดื่มพอกำลังจะดื่มถ้ามีสติรู้ว่ากำลังจะดื่มสุราตอนนั้นก็ยังหยุดมันได้แทนที่จะดื่มมันก็เทมันทิ้งไปอย่างนี้เราก็ยังหยุดมันได้หรือถ้าสายไปเสียแล้วเราดื่มมันแล้วเราถึงจะมารู้ว่าเราคิดไม่ดีทำไม่ดี อย่างน้อยเราก็จําเอาไว้เป็นบทเรียนว่าครั้งต่อไปเราอยา่าทําพยายามตั้งสัจจะอธิษฐานว่าครั้งต่อไปเวลาอยาจะดื่มสุราจะไม่จะไม่หยิบมันมาดื่มแล้วก็พยายามหัดฝึกตั้งสติคอยดูความคิดอยู่ตลอดเวลาเพราะการกระทําต่างๆนี้มันออกมาจากความคิดของเรา ก่อนที่เราจะพูดได้ก่อนที่เราจะทำได้เราต้องคิดก่อนถ้าเรามียามเฝ้าความคิดของเราคือมีสติคอยดูความคิดของเราพอมันคิดจะทำอะไรไม่ดีเราก็หยุดมันได้ ท, ทันทีใช้เหตุผลอย่างที่ได้แสดงเอาไว้ว่าดื่มสุราแล้วเสียเงินเสียสุขภาพเสียสติเสียงานเสียการ แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะไม่อยากที่จะไปเดินสุราเช่นเดียวกับบุหรี่เช่นเดียวกับการเล่นการพนันเช่นเดียวกับการเที่ยวเช่นเดียวกับการซื้อของฟุ่มเฟืยการกระทำเหล่านี้นีแต่จะทำให้เงินทองหมดลงไปความสุขไม่มีเพิ่มมากขึ้นความสุขก็เป็นความสุขแบบยาวขมเครือบน้าตาล เวลาได้ทําก็มีความสุขดี อ, อกดีใจพอทําเสร็จแล้วก็เกิดความขมขึ้นมาเพรอยากจะต้องทําอีกต้องกลับไปดื่มอีกต้องกลับไปสูบอีกไม่ใช่ดื่มแก้วเดียวแล้วจะพอดื่มแล้วก็ต้องมีแก้วที่สองแก้วที่สามตามมาสูบบุหรี่บวนหนึ่งแล้วก็ต้องมีมุนที่สองบุนที่สามตามมาไม่มีวันสิ้นสุด นี่คือโทษของความอยากในการขอให้เราพยายามต่อสู้กับมันอยากปล่อยให้ใจไหของเราไหลไปตามความอยากเหล่านี้ไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่สามารถพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นให้เป็นเหมือนของพระพระเจ้าของเหมือนของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ท่านต้องเอาชนะความอยากในการ ท่านอยู่ในความสุขในทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านก็สละออกบวชเเวลาออกบวชแล้วต้องมาถือศีลศีลที่ห้ามไม่ให้หาความสุขจากการบันเทิงต่างๆเช่นไม่ให้หาความสุขทางรูปทางศียงทางปลิ่นทางลน้นผู้ที่ถือศีลแปนี้ก็เป็นผู้ที่ควบคุมความอยากทางด้านกลางแล้ว คือจะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหมายความว่าจะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานเพื่อร่างกายเท่านั้นร่างกายนี้รับประทานเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งก็พอแล้วเช้าครั้งกลางวันค้างก็เหลือเฟือแล้วไม่จำเป็นจะต้องรับประทานอาหารเย็นนี่ก็คือการตัดตัดความสุขทางตาหูจมูกต้นกาย เวลานอนก็ไม่ต้องนอนบนฟูกหนาๆ น, นอนบนพื้นปูเสื่อหรือปูผ้าก็ได้อย่างนี้ก็พอนอนหลับได้นอนหลับเพื่อพักผ่อนร่างกายไม่ได้นอนหลับเพื่อหาความสุขจากการนอนหลับแล้วก็ไม่หาความสุขจากการบันเทิงต่างๆนี่เป็นการเป็นการละความสุขทางกายแล้วก็ไม่หลับนอนกับใคร ถือสิงพรห ม, มจรรย์อะพรหมจรรยยาเว ร, รมณีแปลว่าไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครไม่หาความสุขจากรสของกางแต่จะหาความสุขจากรสของธรรมคือรสของความสงบที่เป็นรสที่ชนะรสทั้งป่วนรสแห่งธรรมชนะรสทั้งป่วนถ้าได้รสแห่งธรรมแล้ว จะเบื่อกับรถอื่นๆทั้งหลายจะเบื่อกับรสทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพเมื่อเบื่อแล้วก็สบายไม่ต้องลิ่นหลนไม่ต้องแสวงหาไม่ต้องหาเงินเพื่อที่จะมาซื้อความสุขทางตาหูจมูกมินกายถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ต้องลิ่นหลนหาเงินหาทองหามาได้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่พอ เพราะความอยากนี้มันไม่มีวันหมดไปนั่นเองแต่ถ้าเรามาต่อสู้กับความอยากและงับความอยากด้วยวิธีการรักษาสิลงเช่นถือสิ่งแปหรือบวชเป็นพระอย่างนี้เราก็จะสามารถเอาชนะความอยากทางรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะได้อย่างแน่นอนเพราะมีพระพุทธเจ้าได้ทำมาแล้ว พาาาระอรหันต์ตัศวาวงทั้งหลายได้ทํามาแล้วท่านชนะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาดาท่านไม่ต้องมีโทรทัศน์ไม่ต้องมีเครื่องเสียงฟังไม่ต้องมีหนังดูไม่ต้องมีของบันเทิงต่างๆไม่ต้องไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆท่านอยู่ในป่าในเขาหลับตาทําใจให้สงบ ก็ได้ความสุขมากกว่าความสุขที่พวกเราได้กันนี่คือความแตกตา่างระหว่างความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรมขอให้พวกเราใช้ปัญญาเปรียบเทียบดูอย่าปล่อยให้ความอยากมันฉุดลากเราไปเพราะเราถูกฉุดลากมาไม่รู้นานสักเท่าไหร่แล้ว ภพชาติที่เราต้องไปเกิดในแต่ละครั้งนี้ก็เกิดจากความอยากในกามนี้เองทำให้เราไปเกิดในกามมาภพกามมาภพก็คือที่อยู่ของสัตว์ที่ยังเสพกามอยู่มีตั้งแต่เทวดาลงมาเทวดามนุษย์เดรานเปรตสัตว์นรก พ, พวกนี้เป็นสัตว์ที่ยังต้องเสพกามอยู่ถ้าไม่ถ้าเลิกเสพกามได้ ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกของการต่อไปเช่นพระอนาคามีนี้ท่านไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่กลับมาเกิดในสวรรค์ไม่กลับไปเกิดในอบายแต่ท่านจะเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมเพราะจิตใจของท่านไม่มีความอยากในการท่านมีความสุขที่เหนือกว่าความความสุขของการ ก็คือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบเกิดจากการนั่งสมาธิเกิดจากการตัดกามาตัณหานี่เองนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะกระทำกันถ้าเรายังไม่ได้ทำก็ขอให้เราทำกันถ้าเราทำได้บ้างแล้วก็ขอทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราจะไม่ตัอบไม่มีความอยากในกามหลงเหลืออยู่เลย ถ้าเราไม่มีแล้วเราก็ไม่รู้จะอยู่ครองเรือนไปทําไมพุกคนคนที่อยู่ครองเรือนนี้เพราะเป็นคนที่ติดในกามมรสุขนี่เองติดในกามมรสติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลตภะถ้าไม่ติดแล้วก็ไม่รู้จะอยู่เป็นคารวาสทําไมออกบวชเป็นพระเป็นแม่ชีจะดีกว่าเพราะเป็นชีวิตที่ไม่วุ่นวายเป็นชีวิตที่ไม่มีปัญหา เป็นชีวิตที่สงบที่สบายจึงขอฝากเรื่องของการมาวัเพื่อมาสร้างความเพียรคือมาเพียรพยายามทำความดีเช่นมาต่อสู้กับปัญหาความอยากต่างๆความอยากในการความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี้ให้ท่านได้นําเมามไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญขุศลที่ท่านได้มาบังเกิดในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุรนัสุขพะพละ โดยทั่วหน้าการเธอ